ต่ตอนนี้ไปก็เป็นวาระที่รับกันแนะนำการในการเจริญรัฐธรรมนการแนะนำเจริญรัฐธรรมนูญวันนี้ก็เป็นมหาสิตฐานสุขเป็นบัพที่สี่เว่าปีกูลบัพปีกูลเขาแปลว่าสุขกระปรกมันเป็นบัพที่พูดถึงความสุขกระรก ั่นจำแนกอาการสามสิบสองวัประจีสาโลมานคาสันตาเป็นต้นสุผมขนเล็ดปันหนังเนื้อตับไตไส้ปอดถ้าพันนากันจริงๆมันมีอาสองอย่างนะไปไปมาญาติโย่นี่ฟังก็หลับหมดกระโลงความว่าร่างกายทั้งร่างกายมาเต็ไมได้วยความบบโบกโรคแต่ที่แต บ, บนี่นะที่ตาวาเป็นจริงๆ แค่ก็ไม่สนใจในร่างกายเขานี้ขอพักไปก่อนเพราะว่าวันนี้ก็ดีวันที่สองวันที่สามก็ดีวันที่สี่ก็ดีทั้งสามคืนนี้เป็นเรื่องกายยากายาต้องัชนามาที่ฐานสูตรเรื่งขอทางกายโดยเพราะอย่างนี้าสามคืนนี้เป็นพื้นฐานขั้นต้นของขอนาคามีและพระอรหันต ถ้าคนเรียกเป็นพระอนาคามีได้ก็ดีเป็นพระอันก็ตามต้องคล่องในสามกองนี้ถ้าสามกองนี้ไม่มีการคล่องตัวจะเป็นพระอนาคามีไม่ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญพระกรรมฐานโดยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเจริญพระกรรมฐาน เฉะะพาะ อ, อนาคัยเราละหมาดเพพาะหมาติฐานนันสูตรพระพุทธเจ้าบอกว่าให้ปฏิบัติหวังผลสองอย่างเพื่ออย่างที่หนึ่งได้าการนาคามีอย่างที่สองได้แก่วรหรนันท่านแนะนําตอนท้ายพระบาลีจังนี้ว่าให้หวังผลเดือนแรกหนึ่งเดือนปฏิบัติหนึ่งเดือนแรกหวังผลเดืนเนอนแรกอนาคามีหรือหรหัน ถ้าเดือนที่หนึ่งไม่ได้กะหวังเดนที่สองดนที่สองไม่ได้กะหวังเดนที่สาสรุปแล้วไม่เกินเจปีถ้าถามว่าปฏิบัติหนาทิ่านษษษษสูตรต้องสี่บัตรใช่ไหมคือกายาเวทนาจิตตาธรรมา ก, ก็ต้องตอบว่าไม่ใช่ใชเฉพาะบัตรใดบัตรหนึ่งเท่านั้น เกี่ยกายานวัฏสงายนก็ได้จิตาวัฏสงายนก็ได้อย่างใดอย่างหนึ่งเฉพาะกายานวัฏสงานก็ตามเฉพาะเฉพาะบัตเฉพาะจุดอย่างวันนี้ปฏิกลบัตเฉพาะปฏิกลบัตที่เราสามารถทํามกุลได้เป็นพระอนาคามีหรือพระหลานได้บัตไดแบบหนึ่งไม่ว่าการปฏิบัติเพื่อความเป็นพระอนาคามีพระหลานก็หนักใจอยู่นิดหนึ่ง ก็ขอให้มันได้เป็นบริษัทถืออารมณ์ง่ายๆไว้ก่อนอันดับแรกนะอันับแรกที่ใครคนถือมหาเศรษฐาสูตรก็ใครคนสัญญอดสามเท้ก่อนตอนนี้ขอให้เป็นทุนถ้าสังโย ด, ดารรสามบรรดาเป็นพุทบริษัทสามารถละได้สัญญอดสามยละได้สี่ขั้นสัตว์ยว่าสตาสักสตักกะตุงโกลังโกละเอกวิชี กสิทธาธรรมีคําว่าสัตตาสตรงนี้อารมณ์หยากมากสารตั้งโยนเจ็ดชาติจริงเป็นพระหรหันกองรังก OLA อารมณอารมณ์นั่นเอเข้าไปหน่อยโดยสามชาติจะเป็นพระหรหันเอตวิชีกสิทธาธรรมีอีกชาติเดียวเป็นพระาราหันแม้ว่าท่นานอะไจะสมอารมณ์ยากก็าตามก็ถือว่ามีประโยชน์ ว่าขึ้นชื่อว่าบาปกรรมทั้งหมดที่เราทำไปแล้วจะชาติก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีถ้าสามารถตัดสัญญอามได้แม้แต่หย่างยากบาปอกุศลทั้งหมดไม่สามารถจะให้ผลได้พ่าโอกาสที่จะเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตประจุกายเป็นสดิชานไม่มีสําหรับเราอีกเดินไปเนมาอย่างน้อยก็เป็นมนุษย์เทวดาหรือผมในที่สุดก็ไปนิพาน ฐานยอดยแปลว่ากิเลสเป็นเครื่องร้อยรักสมอย่างขั้นต้นคือหนึ่งส ก, กายติจิตสองวิจิจิชาวสามทิรปตะปรามาตส ก, กายติจิที่มีความรู้สึกว่าร่างกายเป็นเราเป็นพวกเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราที่อย่างละเอียดถ้าอยางอยากยังอยากไปทิศหนึ่งก็เห็นว่าร่างกายสวยสดงนงาม ยากก็ให้หน่อยถึงว่าร่างกายไม่รู้จักตายนี่เป็นเป็นอาการของกิเลสนดันงระยะยาพิเศษก็เสอยมีความรู้สึกว่าร่างกายนี่มันต้องตายยังไงให้เราก็าตายแต่ก่อนจะตายเราก็ไม่ประมาทด้วยการทำความดีข อ, อยอมรับนาถีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ทรงศิ้นบาริสุทธิ์จิตความจิตหลังนี้ผานอย่างนี้ที่ว่าสามารถตัดสัญญาณสามเบื้องต้นได้ เพียงแค่นี้เป็นคุนสำคัญที่บรรดาทั้งบริษัทจะไม่ลงอบายภูมิต่อไปเข้าใจไหมฟังรู้เรื่องมั่นใ่รงด้วขอย้ำอีกครั้งหนึ่งสังโยชน์สามขั้นแรกคือหนึ่งความความรู้สึกว่าเราเกิดแล้วต้องตายรายการนี้สองก่อนจะตายไม่ประมาทในชีวิต ยึดพระพุธพะทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์บิ็นที่ตึงมีความเคารพจริงเพื่อกันอน บ, บายภูมิในการที่สามยกกำแพงกันน้นอบายภูมิคือมีศิลปะที่กำหนดสิสุดติดตั้งไว้เฉพาะพบิฏิฐานจุดเดียวสามข้อนี้ขอพระดาะวิสุทธิ์ยึดถือเป็นกําลังใจไวยก่อนว่ามหาปฏิฐานจุดนี้ทั้งหมดก็ตามมหาศิษยาแมหาศิฐยานมต ท่านให้หวังอนาคา ม, มีรลยนะตผลยากหน่อยวันนี้ก็จะขอขึ้นต้นปฏิกรลบับเป็นบัปที่สี่คำว่าปฏิกรหมายถึงการสุขประบท่านให้พิจารณาการสารที่สองต่การสนรสองนั้นขอขอั้วยอบมีผมขนเล็บฟันหนังเล้อเป็นต้นตับปายเส้นป่นอยก็ตามทั้งหมด สรุปง่ายๆในฐานะนักปฏิบัติที่ผิวร่างกายทั้าร่างกายเต็มได้วยความสุขปกโสโครกไม่ต้องไปไล่เบี้ยตรงไหนยอดผมสุขกภกฟันสุขภกหนังสุขภกเนื้อสุขภกโรงความทั้งร่างกายไม่มีอะไรสะอาดมันมีแต่ความสุขภกโสโครกค่อยๆ ค, คิดส่อถายกองนี่บรรลุยาก ด้วยสามารถทำกรรมฐานเข้าถึงขั้นที่สุดได้ยากหน่อยแต่ก็ไม่ยากมากสำหรับคนที่มีบารมีเต็มยากหน่อยสำหรับคนที่มีบารมีปานกลางยากหนักที่สุดคือคนที่มีบารมีต่ำแต่ว่าการตัดปันดาในพุทธวิสัชจะตัดเฉพาะรวดเร็วๆ ว, ว, วันมันก็เป็นของแสนยากต้องค่อยๆพิจรารณา ตามที่คุณเจ้าทรงตรัสว่าทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายมันสุกปกไอ้ขั้นแรกเขาบอกเตสาคือผมสุกปกรวมมาขนสุกปกรวมขนสุกปกไหมแต่ไม่เห็นมีขมแล้วคนเห็นมันไม่สุกปรกใช่รวมีขนยาวสุกปรกมากแล้วดอกผมก็สุกปรกขนก็สุกปรกหนังก็สุกปกเลือดก็สุกปกไตก็สุกปรก แล้วก็ท่านไล่เบี้ยไปหมดอยายการแนที่สองสองกุกภพหมดแล้วก็คิดตามก็ร่างกายท่านร่างกายมียายสารสกุกภกจริงไหมอย่างสิ่งที่มีคการวความเน่าไม่มีที่ไม่เน่านะผมไม่ไม่เน่าเน่าไหมผมคุณเน่าไหมผมเนี่ยเน่าไหมผมไม่เน่าคนไ ม, มไม่เน่าเล็บ ไ, ไม่เน่ า, นา แต่ทำไมของไม่เน่าทำไมพระเจ้ากล่กาวว่าสุขกภกก็เราคิดดูว่าผมที่อยู่บนทิศะมันอยู่สองแห่งนะผมที่อยู่สองแห่งอยู่บนทิศะไปอยู่บนหัวด้วยยังไงว่าอันเดียวกันไหมพี่เดียวกันเลยเขียนไม่เหมือนกันเนะ่ะเว่าผมอยู่บนทิศะเป็นของสูงปกติก็ไม่เปื้อนโครนไม่เปื้นอะไรทั้งหมดทําไม่ายิงว่าสุกภก แล้วก็ต้องไปสู่ตามคําที่พระเจ้าสังตระผมทั้งหมดของเราลองไม่สะไม่สางไม่ชาระล้างสกิดวันอย่างนี้สิ่งเหมือนน้ามันจันใช่ไหมเก่งดีกว่าน้ำมันจันน้ามันจันต้องไปสู่ ใ, ใกล้ๆ ย, ยู่หอมยัง อ, อยู่ไกล ย, ยังเหมือนเลยเก่งกว่าน้ํามันจันร์ใช่ไหมรองคอผมเป็นของที่ไปเน่าก็ยังสดหรง ในต่อไปคนเล็บประสบปกปวกเหมือนกันรวมความร่างกายเขาคนก็ดีร่างกายเขาใสาก่ก็ดีไม่มีส่วนไหนที่สะอาด จ, จริงของที่สะอาด จ, จริงๆจะต้องไม่เสียหายที่มีการสุปรปกปกโซโครกโดยรวมความว่าเราก็พิจารณาร่างกายตามความเป็นจริงตามที่พู้แก้วว่าร่างกายเต็ม้วยความสุปปกปกโซโครกส่วนไหนบ้าง ส่วนไหนบ้านมีสุขหลบมองดที่มันไม่สุบก็หาไม่ได้อุจารัะที่ถ่ายออกมาแล้วเราลังเกียยความจริงอุจาระมาจากอาหารที่เราชอบอาหารที่จะบริโภคเราเลือกแล้วที่ที่ชอบกินๆิแลว้วก็ใเมื่อ เ, เป็นการถ่ายมาแล้ ว, ลวเราก็ลังเกลี่ยก็แสดงว่าในกายมีเต็มด้วยความสุขหลบสบุขภพเหมือนขนาดน้ำลายก็ดีเสื้อผาก็ตาม น้ำลายนี่ปกติเราเคลื่อนนั่เป็นอยู่ในปากเคลืนได้แต่ว่าพอบ้วนมาข้างนอกไม่สามารถจะหยิบได้เคลืนเข้าไปใหม่ได้ดูพื้นเมื่อยาหยิกยากหยิยยกไหมจะลองความน้ำลายมันมาจากไหนมาจากแรางกายภายในแค่น้ำลายที่ผ่านอวัยวะต่างๆออกมาเรายัางเหยียดอวัยวะต่างๆก็ต้องสกปรกเช่นเดียวกัน ในเมื่อพระเจ้าทรงแนะนำให้ทุกคนหรือว่าร่างกายจะมไความสุขกระรกโคลค่อยค่อยคิดนะอันนี้ถ้ากรรมฐานที่สิบปฏิกว่ากายยิขตาโนสติมหาจิตวานในริภาวะปฏิกรรบัตอย่างเดียวกันเหมือนกันจริงเหมือนกันหมดคือปฏิกรรบัตก็ดีกายยิตาโนตติดีท่านนั้นิกนาส bon ่วนต่างขานร่างกายทั้งหมดเต็มไความสุขกระปรอกโคลค่อยค่อยคิด ที่ห้วเจ้าทรงสัดเรื่องนี้แล้วก็มีพระองค์หลายหกศิลรูปกว่าพิจนาและเกิดการเบรื่อหน่ายร่างกายเบื่อหน่ายนี้ก็่องนิพพ ย, ยายนใจรมเขว่้านาคามีเบื่อหน่ายและ้ะด้อยพรใ น, นสุดก็ฆ่าตัวเองตายบ้างแจ้งคนอื่นฆ่าบ้างเพราะมีความดังเกตในร่างกายต่อมาห้วยเจ้าออกมาจากถ้ำยังตัดใหมเ่เทศอนาปานุติกรรมฐาน ถ้าท่านทรงแนะนำว่าเมื่อกระจายออกเราจะรวมเข้าคําว่ากระจายออกสมัยกวาร่างกายทั้งร่างกายจึ็เนื้มียการสารที่สองอย่างไปคิดเป็นอันคําว่ารวมเข้าหมายความทั้งร่างกายยังไม่ทมันตามสภาพมันสนอมไม่ก่อนมันหิวก็กินมันร้อนก็หาเครื่องเย็นให้มันหนาวก็หาเครื่องอุ่นให้ย่าเพื่อทํำลายมันในการวิจัยาร่างกายต้องเข้าสู่คิด ตามแบบมันตามแบบวิสุทธิมรรต์ถ้าบอกให้พิจรารณาข้างละห้าอย่างอย่างผมคนเล็บปันหนังเนื้อเป็นต้นแต่ความจริงการปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทไม่ต้องว่าทั้งห้าว่าทีเดียวหมดไปดีกว่าว่าดูร่างกายทุกส่วนของคนส่วนไหนบ้างที่สะอาดนำเลือดนำเหลืองน้ำหนองที่มีภายในร่างกายสะอาดและสกขรก เราต้องการเลือดถ้าเลือดดีร่างกายก็โผร่งใสถ้าเลือดไม่ดีร่างกายก็สุดโทมแต่ว่าพอเลือดไหลออกมาก็เราก็ลังเกียดไม่อยากจะแตะเลือดใช่ไหมเลือดเป็นของเราเองของร่างกายเป็นสิ่งที่เราชอบเราก็ไม่ต้องการนั่นแสดงว่ามันสุกปรกน้ำเหลืองน้ำหนองก็เป็นการเป็นขอในร่างกายของเราถ้ามันไหลออกมาเราก็มีความรังเกียจ รวมความร่างกายทั้งร่างกายเป็นเป็นขอที่น่ารังเกียที่สุดก็ค่อคิดนะอันนี้ได่ผลมันได้ผลจริงยากแต่ว่าค่อยค่อยคิดไปผลไม่จะเกิดถ้าผลเกิดอันดับกลางอันดับแรกก็เป็นพระอนาครมถ้าขั้นสุดท้ายเป็นสังขารหรือเปขยขยานกเ็เป็นสารอันนี้เป็นจุดแรกถ้าเราพิจารณาว่าร่างกายเต็มด้วยความสุกติโคก ยี่อเป็นงกายยุติธรรมนิติการสศึกรรมีฐานร่วมกันเป็นสมถะภ า, าวนาขอแ น, นอะนําไปย่อๆนะต่อไปเพื่อเจ้าทรงแนะนําในกรรมฐานบทเดียวกันหลังจากพิจารณาแบบนี้แล้วพิจารณากายภายในและกายภายนอกกายภายในรละกายก็ได้จากร่างกายของเรเองกายภายนอกก็ได้ร่างาากายของบุคคลอื่น ร่างกายของเราเต็มด้วยความสุขโสโภพโศโคกเพียงใดร่างกายคนอื่นก็เต็มด้วยความสุขโสโภพโศโคกเกี่ยนั้นค่อยๆคิดค่อยไปเห็นจะทำปุปปอกได้ไม่ได้แน่เมื่อคิดไปใค่อยคนไปต่อไปเมื่อความรู้ปัญญาเกิดขึ้นบารมีเต็มขึ้นต่อไปนิพิทายานก็เกิดนิพิทายานแปลความเบื่อหน่ายความเบื่อหน่ายในร่างกายก็เกิด มันเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดขึ้นมาจริงๆมันมีการทรงตัวความเบื่อหน่ายตอนนี้เป็นป น, าานิพพสนาญาณเห็นว่าสุกรปกแล้วก็เริ่มรังเกียตรังเกียจด้สิ่งที่สุกปกที่เริ่มเ ป, ป็นาานิพพสนาญาณต่อไปยิ่งท่องเบื่อจริงๆเมื่อเบอื่อจริงๆแล้วจิตก็ทรงตัวเมื่อจิตทรงตัวนั่นนิทพ า, านาณตอนนั้นอะไรเกิดขึ้น สิ่ที่จะเกิดขึ่นเราก็มีสองอย่างคือหนึ่งระ ง, งับความโกรธความโกรธจะไม่เกิดในความรู้สึกของเราตัวจริงๆนะั้นไม่ใช่โกรธหลอกๆรนะับกรธหลอกแกล้งโกรธในประเภทหนึ่งใช่ไหมต้องทําเบนโกรธในประเภทหนึ่งการโกรธจริงๆไม่มีแล้วก็รายการในสองความรู้สึกในเพศจะไม่มีกับเรามันไม่มีถ้งอารมณ์ที่ประจันหน้ากันและอารมณ์สงัด จะไม่มีความรู้สึกในเพศตรงกันข้ามแย่นี้ก็ถือว่านิพิทายันเต็มอัตราพอนิพิทายันเต็มอัตราต่อไปพุทธเจ้าทรงแนะนําในบัพเดียวกันตอนท้ายว่าท่านหลายจะเห็นความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปของร่างกายว่านอกจากมันจะมีความสุขบกโศกแล้วมันก็ยังเสื่อมไปด้วย อันดับแรกมีการเกิดขึ้นมีการเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีการเสื่อมไปในแทมกลางมีการสลายตัวในที่สุดธันบอกว่าร่างกายภายในในร่างกายของเราก็ดีร่างกายภายนอกร่างกายร่างกายคนดีคนดีมีสภาพเหมือนกันนอกจากสุขภพมันก็เสื่อมทุกวันภาพมนุษย์เราเรียกว่าแก่ทุกวันในที่สุดคือสลายตัวกือตาย เกี่ยวกัร่างกายนิดนอกจากสุขรกไปที่นา่ายเสียดแล้วนา่าเกียดแล้วต่อไปมันนะเสื่องความเสื่อมที่เราก็ไม่ชอบเราไม่ต้องการความเสื่อมแต่ร่างกายมันราเสื่อมร่างกายทําสิ่งที่เราไม่ชอบใจในที่สุดร่างกายก็ตายความตายเราก็ไม่ชอบเหมือนกันมันก็ตายเกี่ยวกัร่างกายประเภทนี้ไม่ควรมีสลับตาต่อไปอีกจะไม่ให้ค่าตัวตายนะใอ้ที่ว่ า, าร่างกายนิดพังมื่อไรไม่ต้องการอีก ขอสุดท้ายที่พเจ้าทรงตรัสว่าทั้งหลายยงไม่ยึดถือร่างกายภายในแล้วก็ไม่ยึดถือร่างกายภายนอกเป็นสมมายความว่ากายของเราก็ดีกายคนอื่นก็ดีเราไม่ต้องการมันอีกเมื่อความเบื่อหน่ายเกิดจากหนึ่งความสุขสบบของร่างกายนี่คือสมถะภาวนา ตอนมาความเสื่อมของร่างกายร่างกายเราก็เสื่อมร่างกายของเรือเสื่อมแต่ตอนนี้เป็นวิปัสนาภาวนานี่ก็จริงอยู่ด้วยกันนะต่เมื่อเบื่อในความเสื่อมต่อนมาจะเห็นว่าที่สุดมันก็ตายร่างกายเร็วงอย่างนี้เราถือว่าเราไม่ต้องไ ม, ไม่ต้องการในมันต่อไปถ้าท่ายจะบอกจงลุกเว้นจงไม่มีความต้องการและสนใจในร่างกายภายในที่ร่างกายของเราเอง ไม่สนใจในร่างกายภายนอกไม่สนใจในวัตถุธาตุต่างๆของโลกคําว่าไม่สนใจคือไม่ติดใจให้มีความรู้สึกตามความเปจริงร่างกายของเรามันจะต้องตายหรือว่าความตายเป็นธรรมดาของร่างกายเกิดมาแล้วต้องตายตอนก่อนถ้ามันจะเสื่อมถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายเมื่อเกิดมาแล้วก็เสื่อมเสื่อมในที่สุดมันก็ต้องทางจะตายเราก็ตาย ชาวบ้านทั้งหมดในโลกนี้ก็มีความเสื่อมมีความตายเหมือนกันหาอะไรพรึ่งพึ่งไม่ได้แม้แต่วัตถุธาตุต่างๆในโลกมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปแล้วกลางก็มีการสลายตัวในที่สุดเหมือนกันเราก็คิดในใจว่าของในโลกนี้ทั้งหมดเราไม่ต้องการอะไรเป็นพี่พึ่งเลยเพราะโลกทั้งโลกไม่มีอะไรเป็นพี่พึ่งจริงอย่าหวังพึ่งร่างกายทรงตัวอยู่มันก็ไม่ทรงตัว ร่างกายของเราจะหวังพึ่งร่างกายคนอื่นให้มันทรงตัวอยู่มันก็ไม่ทรงตัวจะหวังพึ่งวัตถุธาตุใดและสิ่งศักดิ์ส์ใดในโลกให้ทรงตัวอยู่ไป น, นี้พึ่งที่พักของเรามันก็ไม่ทรงตัวฉะนั้นขอทุกคนอยตัดสินใจเพื่อที่ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นก็ดีที่มีความเกิดขทีนเบื้องต้น มีความแปรปลีนในท่ามกลางมีการสลายตัวางที่สุดมันเป็นของไม่ดีแลกณ็ณะที่มีการทรงตัวอยู่เต็ไมไปด้วยความสุขกระปรศรุกระหาอะไรดีไม่ได้ในเมื่อร่างกายไม่มีการทรงตัวมันเป็นสุขและเป็นทุกข์เราก็ต้องคิดต่อที่เข้าอริยชสัตว์เป็นนิยัศนายา น, นึนกันตัวสำคัญ ก็ต MM. so ้องรู้ว่าร่างกายของเราก็ดีร่างกายคนนี้ก็ดีมันไม่สุก็ไม่ทุกข์ถ้าใช้ปัญญาได็น้อยอย่าร่างกายเต็มเรื่องความทุกข์แม้ความทุกข์ต่างๆที่เกิดกเราก็เกิดจากร่างกายทั้งสิ้นความหนาวเกิดขึ้นเพราะมีร่างกายร้อนเกินไปเกิดขึ้นเพราะมีร่างกายความหิวเกิดขึ้นเพราะมีร่างกายความแก่เกิดขึ้นเพราะมีร่างกาย ความป่วยไข้ไม่สบายเกิดขึ้นเพราะมีร่างกายการสลายตัวเกิดตายเกิดขึ้นเพราะมีร่างกายโลภก็ร่างกายของคนก็ดีร่างกายของเขาดีร่างกายของเราก็ดีร่างกายของคนอื่นใดก็ตามไม่มีความดีเป็นปัจจัยขอความทุกข์ไปต่อไปแล้วก็ใช้สังขารุปเกขยานอั น, นิี้เนอรมณพรหาหัน ถ้ามีภยายนแปรมของพระนาคามีการใช้สังขารรัศีภยายนคือวางเฉยในร่างกายทำจิตใจยอมรับนับถือกฎของธรรมดาให้มีความรู้สึกตามความปจริงว่าธรรมดาของโลกย่อมเป็นอย่างนี้กฎธรรมดาของโลกก็คือหนึ่งเกิดขึ้นมาแล้วเป็นเบื้องต้นต่อไปปฏิการในสองรัศมีนี้จัง ไม่มีอะไรทรงตัวไม่มีอะไรเที่ยง <c oughs> มันหาความทรงตัวจริงไม่ได้มันแกร่ร่างกล้าแข็งคายก้อนคนร่างกายก้อนสัตว์มีแก่ทุกวันว่าตัวท่าต่างๆมีเก่าลงไปทุกวันสูญสนายทุกวันเหมือนก้อคนเหมือนก้อสัตว์แล้วก็หลังจากนั้นก็พังสลายตัวเหมือนกันหมดร่างกายก้อนคนก็พังร่างกายก้อนสัตว์ก็พาง นี่เป็นกฎธรรมดาของชาวโลกโลกสมบัติของโลก ท, ทั้งหมดเป็นอย่างมีร่างกายของเราเป็นสมบัติของโลกในเมื่อโลกมีสภาวะอย่างนี้แล้วก็ยอมรับน้ำถือมันตามความเป็นจริงคือใช่โรงหวางเฉยร่องการเคลื่อนไหวของมันในเมื่อของไม่เกิดขึ้นใหม่มันก็ใหม่ก็ต้องมีความรู้สึกว่าของใหม่ที่เราได้มามันก็เริ่มเก่าลงไปทุกวันทุกวินาที ต่อไปก็มีแต่ความข้างข้าในที่สุดก็พังชั้นใดร่างกายของคนอาแสยก็ชิ่นอยู่กันมีความเกิดในเบื้องต้นมีความแปรปรวนทางกลางมีการสลายตัวเป็นอันที่สุดเอาจิตเข้ามายอมรับรับถือว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้อารมณ์ของเราจะไม่ฝืนความเปจริงยอมรับกฎธรรมดานขใหมาันเมื่อความเกิดเกิดขึ้นเราทราบว่านี่มันเกิดแล้ว ความเป็นหนุ่มเป็นสาวเกิดขึ้นตอนสาวเราดีเวลานี้เราแก่ขึ้นแก่จากความมปเด็กมาถึงความเป็นหนุ่มเป็นสาวไม่ใช่หนุ่มสาวที่มันแก่ในเมื่อถึงแก่ขณะด น, น, นี้ต่อไปมันจะแก่มากกว่านี้แก่ลงกายแก่ล ง, ลงวิญญาณน้อยนมากที่สุดมันจะต้องตายในขณะที่มีการทรงโยอยู่สิ่งที่รบกวนคือการป่วยไข้ไม่สบายมั น, บมนรบกวนร่างกายปกติ ที่พระพุทธเจ้าทรงตัดร่างกายไปโรคนี่ทางมันเป็นรังของโรคร่างกายต้องเป็นโรคเป็นปกติในเมื่อความแก่เกิดขึ้นจิตใจเราก็ไม่หวังไว้ในความแก่เอาจิตเข้าไเจอมรับว่าเราทราบอยู่แล้วว่าร่างกายจะต้องแก่ไม่อยากจะแก่ก็เชิญแก่ไปเราเชิญมันแก่แล้วไม่เชิญมันแก่มันก็แก่ใช่ไหมเราห้ามไม่ได้ถ้าร่างกายมันป่วยแล้วก็ไม่ต้องไม่ตกใจเืินไป แล้วก็ยอมรับตางความเปนจริงว่าร่างกายอย่างนี้มันต้องป่วยร่างกายเราก็ป่วยร่างกายคนอื่นเขาก็ป่วยในลักษณะเดียวกันที่ น, นังเรานั่งปุวยนี่คนที่นอโนโรงพยาบาลนับเป็นส่วนป่วยจำป้ายก็ น, นับเป็นส่วมีการป่วยปกติธรรมดาของชาวโรกในเมื่อความป่วยเกิดขึ้นเราจิตยอมรับนับถือว่านี่ไเป็นธรรมดารของร่างกายต่อไปถ้าร่างกายยาพังมันจะตายก็ถือว่านี่เป็นเรื่องธรรมดารของมัน คนและสัตว์ทั้งหมดเกิดมาต้องตายเหมือนกันหมดวัตถุธาบบตุต่างๆเกิดมาต้องพังเหมือนกันหมดจิตยอมรับตั้งถือผิวไม่กฎธรรมดาคือเมรุไม่หวั่นไหวในกายเคลื่อนไปเของร่างกายทั้งร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีวัตถุธาบบตุต่างๆก็ตามมันจะเก่ามันจะพังถือเป็นเรื่องธรรมดาจิตวางเฉยเขาไมาจิตวางเฉยถ้าถามว่าทุกขเวทนามีไหมก็ ต, อ, ตอบว่ามี เมทุกขเวทนาเกิดขึ้นจิตก็ยอมรับว่าร่างกายต้องมีทุกขเวทนาอย่างนี้อาการป่วยอย่างนี้ต้องมีกับเรา <c oughs> เป่วยพนาต่างๆที่ไม่ชอบใจอย่างนี้มันมีขึ้นมันต้องมีกับเราเราสร้างมาแล้วมันอยากจะปวยก็เชิญปวยไปดังสาหายก็หายไม่หายก็ตายและทำไมหายก็หายไม่หายก็ตายตายแล้วไปไหนถ้าหากว่ามันจะพึงตาย กาตัดสินใจแล้วขึ้นเชือกร่างกายอย่างนี้จะไม่มีสาหรับเราอีกสิ่งที่เราต้องการนั่นคือ น, นิพพานตอนนี้ถ้าเราตัดร่างกายตัวเดียวบรรดาญาโยมพู้ถบริษัทความเบรรันก็เข้ามาถึงท่านเพราะว่าที่พระเจ้าทรงเทศมาแปดเมื่นสี่พันมัธรรมคขันเพืเ่อจขันห้าอย่างเดียวแต่ว่าใช้ถนนากันพระเทศแบบนั้นก็ตามก็ไปลงที่กันห้า ถ้าเราตัดขันห้าได้วางเฉยที่ขันห้าได้เราก็ไปนิพพานได้ตัวอย่าง ช, ชัดๆที่ต้นเทศพภัยยะท่านภัยยะขอพระเจ้าทรงเทศระวหว่างที่เป็นลำบากพุทธเจ้ายับยังสองครั้งขณะสามขณะทัานทีนท่ห น, น, น่งฟังแต่เทศแบบสั้นๆนะบกว่ภัยยะให้ดงอย่าสนใจในรูปเพียงคําเดียวเท่านี้ท่านภัยยะเป็นพร่อรหาร ความจริงกลายเป็นพระรานั้นเขาตัดสัญญาโตตัวเดียวคือตัวต้วตนที่จังวัดส ก, กาญติจิติส ก, กายติจิติไม่ร่างกายเป็นเราเป็นพวกเรามันตัดตัวนี้ออกให้มีความรู้สึกตา่างความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายมีในเราให้าถางร่างกายคื อ, อร่างกับเราคือใครต้องต่อเราคือทิสมัยกายที่สูงในร่างกายนี้ ร่างกายนี้เป็นที่อาศัยของทิฏฐิสมาในกายชั่วคราวเท่านัน้นายที่สุดมันหลอกทางทิฏฐิสมาในกายไม่ทังไปด้วยถ้ามีลมชั่วก็ไปอาปัยภูมมีลมดีก็ไปสวรรค์อรัมดาญาโยมพุทธบริษัททุกคนขอ้ขอสรุปคําแนะนําขององค์สมเด็จพระตุสผลบ้านหลับแรกให้เมื่อร่างกายเต็มเรความสุขประกโสโครกที่เป็นสมถะภาวนานะ ต่อไปเองการเกิดเหุ้การเสื่อมของร่างกายแล้วก็มีความเบื่อหน่ายร่างกายสลบเราก็ไม่ชอบใจร่างกายมีความเสื่อมแล้วก็ไม่ชอบใจตัวนี้เป็นนิบสนาภาวนาต่อไปก็ทําจิกราลเฉยในร่างกายคือ ร, ร่างกายของเราพอดีร่างกายคนอื่นพอดีตัวนี้เป็นการตัดวิชาวิพัฒนา ย, ยานจบกลายเป็นพระอรหันตขอบระดาญาติโยมพุกบริษัททุกท่านสมาธิฐานนั้นโสที่ยากนายยาหน่อยก็มีหลายสิบบับ ข้อมันดาญาติโยมบริษัทเลือกปฏิบัติเอาชอใจบัพไหนปฏิบัติบัพ น, นั้นนะบัพก็คือตอนแล้วพอใจตอนไหนปฏิบัติตอนนั้นต้องขึ้นต้นตา น, น, นาปานุติอุตนมาอีกเยกอะอีกหลายสิบ ต, ตอนนี้ไปข้อมันดาญาติโยมบริษัทหลายโดยทุนนาตั้งใจเพื่อสม า, า, สม า, าทานศีลสมาทานเป็นกรรมฐาน